พระธรรมเทศนาแผ่นที่60ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอนธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สองกรกฎาคม2554มีชื่อเรื่องว่าสัมมาทิฏฐินำสุขมาให้ก่อนเข้าพรรษาหนึ่งอาทิตย์กบวชก่อน เดีวผู้ที่จะมาบวชก็มาอยู่ก่อนมาอยู่ก่อนบวชหรือ ม, มาอยู่ก่อนเข้าพรรษาสองอาทิตย์อาทิตย์แรกกลมาเตรียมพร้อมในการขานนาคพร้อมไหมในการขา น, นาคเดินกาลังฝึกซ้อมกันพิธีขานนาคเมื่อขานนาคพร้อมแล้วก็ก็จะได้บวชวันที่10 คือกฎระเบียบหรือว่าการปฏิบัติมาของวัดเราเป็นตลอดมาหรือว่าตลอดมาแ้าก็คงจะตลอดไปควรจะก่อนเข้าพรรษาผู้ที่จะมาเป็นนาคเตรียมพร้อมเป็นนาคแล้วก็สองอาทิตย์แล้วก็พอเข้ามาหนึ่ ง, งอาทิตย์ก็บวช แล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์ก็เข้าพรรษาแล้วก็ผู้ที่บวชเป็นข้าราชการก็ควรจะลา120วันคือก่อนเข้าพรรษาเนี่ยสองอาทิตย์ อ, ยออกพรรษาอีกสองอาทิตย์คือจะไม่ให้บีบตนเองมากเกินไปในช่วงนี้ฝนก็ตกเป็นระยะ ผลปีนี้ถ้าจะว่าไปแล้วผลปีนี้ดีมากดีมากดีแบบสม่าเสมอตกตลอดแต่ก็ไม่แรงไม่ถึงกับเสียหายแต่สำหรับผูกพืชผลผลไา้ก็ดีแต่พวกสวนยางในบด น, นะพวกสวนยางนีดอุบอ บ, อบอุบในใจว่าน้นทำไมตกอะไรมากมายนักหนากีดยางก็ไม่ได้ ขาดรายได้อต่ว่พาพญาแถนบนฟ้าเนี่ยไม่รู้จะแต่งตามใครอึดดัดใจพอชุ่มพวรเหมือนกันนะ <_ t ok> เหมือนกับพวกราชดรทุกวันเนี่ยแต่วันเนี้ยราชดรพวกเราเป็นราชดรไม่รู้จะเลือกใครเป็นรัฐบาลเอึดดัดอึดอดัดอย่างงั้นแต่บางคนว่าจะโนดโบว์โหวดโหวดโน หลวงพ่อว่าบวชโนไม่น่าจะดีหรอกคนทั้งประเทศคนทั้งกลุ่มจะไม่มีใครดีสักคนเหรอในสายตาของเราหรือว่าเราไม่ดีเองคนอื่นเลยไม่ดีตามหรือ hey. ว่าไม่ดีสักอย่างอึอกระสุดแท้แต่พอมันไม่ดีสักอย่างแต่ตามไม่จริงก็ไม่น่าถึงขนาดนั้นถ้าหากว่าเราทุกคนมีความคิดว่าบวชโนทั้งหมด บางทีพม่ากะเกลียงทั้งหลายพม่าทั้งหลายลาวขเขมรเนี่ยอะเราเราพวกเรามีสิทธิ์ที่จะไปทำได้เขาก็เลยลงเสียงให้สองสามคนก็เลยปกครองประเทศชาติอย่างนั้นก็เสียหายเหมือนกันนะแต่ทีอยังไงหลวงพ่อ อยู่ในป่าโลงพงภัยหลวงพ่ออิจดห่วงไม่ได้เหมือนกันนะพี่น้องประชาชนจัดทายญาติโยมทุกมูเหล่าวันพุ่งนี้ก็ให้ไปช่วยๆกันไปเลือกผู้แทนไปลงคะแนนเสียงไปเลือกคนดีเข้าสภาแต่หลวงพ่อเคยบอกมาสม่ำเสมอหลวงพ่อเนี่ยเป็นกลางหลวงพ่อไม่ชอบสีอะไรทั้งหมด ชอบสีกลักสีแก่นขนุนสีกรรมฐานหลวงพ่อจะไปให้นุ่มผ้าสีอะไรหลวงพ่อก็ไม่เอาหลวงพ่อชอบสีนี้สีนี้คือสีพระพุทธเจ้าสีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านให้เป็นกลางให้เป็นธรรมจะเป็นใครก็าตามให้เป็นเออ เกิดมาในโลกนี่ถ้าทุกคนเป็นสัมมาทิฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบคำนี้นะคือเอาหลักอะไรมามามาเป็นเครื่องวัดแต่ตามให้จริงก็กฎหมายบ้านเมืองส่วนหนึ่งเป็นเครื่องวัดว่าคนนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือว่าการกระทาที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องอันนี้ก็คือกฎหมายบ้านเมือง ถ้าลึกลงไปกว่า น, นั้นอีกก็คือหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรายกย่องเชิดชูบูชาว่าเป็นศาสนาประจําชาติคือชาติไทยของเรานับถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษตั้งแต่พ่อคุณศีอินทราทิตในหลักศิลาจารึกพ่อคุณลากําแหงกรุงสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์พระไตรปิดกของพวกเราถ้าจะพูดออกมาสับแสงทั้งหลายแหละภาษาทั้งหลายแหล็โดยมากจะเป็นสัพ์อิงบาลีเกือบทั้งนั้นอิงหลักของพระพุทธศาสนาเกือบทั้งนั้นเพราะพ ว, พวกเรานับเนื่องมาเป็นหลายร้อยปีที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะนั้นท้าว่าพวกเราทุกๆ ท, ท่านถ้าคานึงว่า เขาอะไรมาเป็นหลักยึดว่าอะไรคือมิจฉาทิฏฐิอะไรคือสัมมาทิฏฐิถ้าพวกเรายึดแนวแถวของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงาแร้วมาเป็นทางเดินพวกเราคงจะรู้ได้ว่าอันนี้คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นชอบกนะ็คือความเห็นไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นแต่ถ้าว่าพวกเราไปทําให้แก่เขา เขาเดือดร้อนถ้าเขามาทําให้แกเราเราก็เดือดร้อนแล้วเราไม่ควรจะทําในสิ่งที่ทนคนอื่นเดือดร้อนที่เราไปทําไปนั้นมันเป็นธรรมไหมก็เอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามามาเป็นกระจกเงาถ้าพูดอย่างนี้มันเป็นการอิจฉาเขาใช่ไหมการพูดอย่างนี้ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนใช่ไหมเป็นอารมณ์โทสะของเราใช่ไม่ปล่อยออกไปเนะี่ย เรื่องเป็นอารมณ์ราคะของเราทําให้ปล่อยออกไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นพวกเราหลวงพ่อว่าทุกคนให้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบถ้าทุกคนมีความเห็นชอบหรืออย่างน้อยก็สักหกเซนหนึง่งก็ค่อยยังชั่วอยู่แต่ถ้าสุดโต่งไปร้อยทางร้อยเลยหลวงพ่อกันหน้ามันก็เดือดร้อนเหมือนกันนะ ถ้าไม่ได้มาจะทํายังไงขัดฝันรันแทงกันถล่มกันถล่มด้วยวาจอาอีกอย่างหนึ่งถล่มด้วยอาวุธที่มันน่ากลัวคนทั้งประเทศอันนี้ก็ฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านในเมื่อเข้ามาบริหารประเทศแต่ทุกคนก็ให้มีฮิริคือความละอายแก่ใจอดตะปะคือความกลัวต่อบาปทางทุกคนเข้ามาแล้วไม่มีฮิลิคือความละอายแก่ใจโลภโหโมกณนะ ไม่รู้ว่าอันในสมบัติของใครสมบัติกลางสมบัติควรจะแกะควรแก่ตัวหรือเป็นควรแก่ใครถ้าว่าเราทํามาค้าขายมาอีกอย่างหนึ่งอันนี้ถ้าว่าเป็นขราชการงานเมืองอย่างนี้เมันดับเงินเดือนขนาดไหนที่พอเหมาะอย่างนีทน้ทุกคนก็ต้องรู้จัก อย่าไปโลภโหโมกณ ะ, ะทำไมใช่ของตัวเองแต่ไปเอากับอรับชงคอรับชันอะไรมากมายหลายอย่างทุกวันเนี่ยคอรับชันหลวงพ่อเคยพูดคอรับชันเวลาก็มีนะไม่ใช่คอรับชันแต่เงินอย่างเดียวนะพวกเราต้องดูตัวเองคอรับชันเวลาก็คือไม่ทำงานตา ม, มเวลาที่ทางกฎหมายเขาบอกเอาไว้ทะเลถลายแถ ะ, ถ ะ, ถ ะ, ถ ะ, ถะกีเกียดไปทางานแต่ เวลารับเงินเดือนเอ้ยเวลาชั่วโมงเท่านั้นข้าไมาได้ไปทํางานอย่างที่กฎหมายบอกข้าไม่รับนะนีเ อ, อาสองคืนไม่มีใครพูดอย่างนั้นสักคนอถึงจะทะเลาะลไปที่อื่นเวลาเงินเดือนออกมาก็รับเต็มเปี่ยทุกคนฮีอันนี้แหละ บ, บวัวขอรับชั่นเวลาฮสิ่งเหล่านี้อถึงใครจะพูดหรือไม่พูดพวกเราก็ควรจะสํานึกอีกเหมือนกัน ว่าถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอย่างไรอันนี้หลวงพ่อในฐานะนสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์เนี่ยแปลว่าเป็นผู้ชี้เหตุผลอันนั้นควรอันนี้ไม่ควรอันนั้นถูกต้องอันนี้นไม่ถูกต้องนั่นคือสมณพราหมณ์ทิศ ท, ทางหทิศเบื้องหน้าบิดามารดาทิศ ท, ทางหลังทิศเบื้องหลัง สามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรทิศเบื้องต่าบริวารคนรับใช้ทิศเบื้องบนสมณะพรามเนี่ยพวกเราอยู่ในอยู่ในทิศทั้งหเพราะนั้นหลวงพ่อเองอยู่ในทิศทั้งหพร้อมที่จะให้แสดงแสดงความคิดเห็นให้แก่ลูกหลานคณะรัาาตยาิโยมทุกหมู่ทุกเรา ให้เป็นข้อสังเกตให้เป็นข้อเป็นแนวความคิดประเทศชาติบ้านเมืองจะไปได้มันต้องพัฒนาคนคนในชาติต้องเป็นคนดีถ้าคนในชาติคนชาติไทยไม่ดีเสยอย่างเท่านั้นจะพัฒนาไปอย่างไรก็พัฒนาไปเถอะพัฒนาทางด้านวัตถุถึงจะสวยงามหรูหลาโออาเหลืองอารามไปด้วยทองแต่คนในชาติ มันมีตัวบุ่งตัวนอนเกาะใจอยู่ประเทศชาติจะไปได้กี่น้ำ เ, เดี๋ยวก็จอดเหมือนกันเพราะเหตุไยเพราะว่าคนในชาติไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจ ร, ริยธรรมที่ดีอยู่ด้วยกันมีแต่แตโลกโหโมกณะมีแต่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวีนกันมีแต่พักมีแต่พวก พวกใครพวกเราผู้ที่ไม่ผวู้ที่เสียผลประโยชน์กันจ้องมนุษย์มันมองได้เห็นแต่หน้าแต่ใจแต่ละคนมองไม่เห็นว่าเขาคิดเรื่องอย่างไรอะไรพระพุทธเจ้าท่านไปฉันในอะไรในปางช้างนายเป็ดสะชื่อเป็ดสะ คนฝึกหัดช้างของพระเจ้าพระเจ้ากุงราชคือและกกุงสวัสถีหลวงพ่อก็จาไม่ชัดแต่นมนม์พระสงฆ์ไปพร้อมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ถามถามนายนายควานช้างนายสรถสีฝึกหัดช้าง นายชลธีฝึกหัดช้างฝึกหัดอย่างไรนายชีบอกว่าการฝึกหัดช้างง่ายพระเจ้าข่าถ้าจะว่าไปแล้วง่ายเพราะเหตุไรเพราะช้างมองดูแล้วมันพอใจหรือมันไม่พอใจก็รู้ได้เพราะมันตื้นทามันหูกลางหรือว่ามันม้วน ง, งวงเข้าไปในปากหรือตามันเขม่งแสดงว่ามันไม่พอใจในช่วงนั้น ต้องหาวิธีการทํามันอยู่ธรรมดาอย่างนี้เข้าไปก็ฝึกสอนถ้าฝึกสอนเข้าไปนี่มันพอใจอมันไม่พอใจเราก็อ่านมันออกเพื่ออะไเพราะมันตื้นแต่บริษัทบ ร, ริวารของข่าพระองค์นี่สิข่าพระองค์นี่มองไม่เห็นเลยใจของเขาทั้งที่บอกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่พอออกไปแล้วมันทำอย่างอื่น แต่ทั้งที่อยู่ต่อหน้าก็รับทั้งหมดแต่พูดออกไปแล้วไปติชินนินทาไม่เห็นด้วยมันออกไปข้างนอกสรุปแล้วก็คือค <c oughs> ุณหลวงพ่อพูดันไม่ใช่ธรรมดานะน้ำไหลไฟดับเลย พูดจนน้ำไหลไฟดับ <c oughs> นี่แหละนายเปเตศบอกว่าลูกน้องของข้าพระองค์นมองไม่เห็นในใจของเขาถ้าจะเปรียบเทียบกับลึกยิ่งกว่าน้ํามหาสมุทรน้ํามหาสมุทรนี่มันลึกขนาดไหนเขายังมีก้อนหินหย่อนลงไปแล้วก็วัดได้ว่าน้ํามหาสมุทรจะลึกขนาดไหน แต่หัวใจคนนี่ข้าพระองค์วัดไม่ได้เลยว่าหัวใจของเขาต้เป็นอย่างไรเพราะนั้นเรื่องใจของมนุษย์เป็นใจที่ลึกลึกมองหน้าแสดงอากับกิริยายิ้มแย้มแจ่มใสพอใจแต่ส่วนใจนั้นไปอีกแบบหนึ่งข้าพระองค์ยอมเรื่องเรื่องการที่จะทำความเข้าใจกับมนุษย์พระพุทธองค์ก็ยอมรับเลย ใช่ถูกต้องนายควานช้างพูดถูกต้องนายสรถีพูดถูกต้อ ง, ตองแต่นายสารถีก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์มีพระสงฆ์ตั้งเป็นร้อยเป็นพันหลายพันองค์เนี่ยพระพุทธองค์สอนอย่างไรพระสงฆ์จึงอ ย, อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบขนาดนี้พระเจ้าค่ะดูแล้วก็สวยงาม พระพุทธองค์บอกว่าเราสอนตามกฎระเบียบคือเมื่อตั้งกฎระเบียบขึ้นมาแล้วทุกคนก็ต้องเคารพในกฎระเบียดคือกฎพระวินัยตั้งพระวินัยขึ้นมาแล้วก็ทุกคนทุกองผู้เข้ามาบวชก็ต้องอยู่ในวินัยถ้าว่าอยู่นอกเหนือออกจากหลักพระธรรมวินัยไม่ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยไปว่ารับไม่ได้อยู่ด้วยด้วยอยู่ด้วยพระสงฆ์ไม่ได้ ท่านจยเปรียบเทียบก็บเหมือนกับพระพุทธศาสนาเหมือนกับทะเลแต่ถ้าใครเป็นสิ่งที่แปลกปลอมอยู่ในทะเลเป็นซากศพก็ดีจะเป็นอะไรก็ดีอยู่กลางทะเลทะเลจะไม่รับเอาไว้ทะเลจะซัดเข้าหาฝัง่งจะซัดซากศพหรือซัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นเข้าหาฝัง่งนี้ก็เหมือนกันพระสงฆ์เหมือนกับ น, น้ำทะเล อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกด้วยความพร้อมเพียงสมัครคีอยู่ด้วยกันด้วยกฎระเบียบวินัยอยู่ด้วยศีลเสมอกันถ้าหากว่าองค์ใดก็ตามไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นอรจิตอรจิตาเป็นอรัชชีผู้ไม่มีฮิลิทไม่มีความละอายต่อบาปจะอยู่กับคณะสงฆ์ไม่ได้เพราะนั้นตถาคตหรือว่าศาสนาของเรานี่ สอนพระสงฆ์ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในกฎระเบียบที่เราได้วางไว้แล้วอันนี้ก็คือมาในพระไตรปิฎกวันนั้นหลักของพวกเราที่จะอยู่ด้วยกันถ้ามานำมาประยุกใช้ในประเทศชาติของเราถ้ามีกฎหมายบ้านเมืองขึ้นมาแล้วทุกคนก็อยู่ในกฎอยู่ในกฎหมายผู้ที่ถือกฎหมายก็เป็นผู้มีธรรม ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาไม่ฉันทากติโทสักติโมหกติพยาคติไม่มีอะไรเป็นอคติในอคติสี่เป็นผู้ตรงไปตรงมายึดหลักกฎหมายเป็นหลักถ้าทุกคนเคารพกติกาอย่างนี้แล้วประเทศชาติบ้านเมืองถึงจะอย่างไงอย่างไ ง, ง, ไ ง, ง, ไงมันก็ยังยังเป็น ยังไปได้ยังไปได้ยังไปรอดได้เว้นเสียตั้งแต่คนในชาติของเรายินดีในการทําความชั่วแต่คนในยุคใดยินดีในการทําความชั่วคนในยุคนั้นปกครองยากเพราะเหตุไรเพราะทุกคนยินดีในความชั่วถ้าทุกคนยินดีในหลักเหตุผลในหลักถูกต้องในหลักพระธรรมวินัยหรือในหลักกฎหมาย คนในยุคนั้นก็เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเพราะทุกคนเคารพกฎกติกาเหมือนกับพวกเราเนี่ยให้เรียงคิวมารับของอย่างนั้นแต่าทุกคนเรียงคิวมารับมารับของมันก็ไม่มีปัญหามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายเรียงคิวมากรับรั บ, ร, บรับก็ผ่านผ่านผ่านไ ป, น ป, นปนแต่พวกรัดคิวเนี่สิพวกเรามาเป็นตัวยุ่งไหมถ้ารัดคิวเยอะๆเนะี่ย บางทีหลวงพ่อโอ้โหปวดหัวบางทีไปแจกของทั้งที่ว่าของพอนะไม่มีปัญหาพอแต่เรียงคิวเขามารับตั้นั้นรับคิวมาหลวงพ่อต้องได้ยกของหนียุดหยุดแจกเพราะเหตุอะไรเพราะมันแจกไม่ไหวมันวงจะแตกเพราะอะไรเพราะคนรัดคิวนี่แหละั้งว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็เหมือนกันน่ยถ้าว่าเดินตามคิวเดินตามกฎกติกาเดินก็ตามกฎหมาย ผู้แทนก็นคือผู้แทนราษฎรคือคือราษฎรมีกฎมี ก, มกติกายอย่างไรปฏิบัติต่อกันอันนี้น่ตัวเองเลยคิคยดว่าฉลาดกว่าเพื่อนที่รัดคิวมาจะทํำยังไงรัดคิวผิดยังไงก็ได้ข้อขอ้ขอข้อทการให้ค่าได้รัดคิวจะทํำยังไงก็ได้จะทําให้ให้ค่าไปเจ้าได้ แต่พอกฎหมายเขาย่างเข้าไปเลยแต่นี้ยถึงจะได้มาก็ถือได้มาโดยไม่เป็นธรรม mm hmm. เขาก็ชักไซไลเลียงเข้าไปผลที่สุดก็นั่นแหละทีนี่พอติดคุกติดตารางเข้าไปแล้วแต่นี้เป็นเรื่องและแต่นี่ยโบยวายว่าสังคมไม่ให้ความเป็นธรรมสาหรับตนเองแต่มันตามไม่จริงกับตัวเองเลยไปทําไปทําก่อนให้ความไม่เป็นธรรม มันลัดคิวเขาสิ่งเหล่านี้ถ้าจ ะ, จะว่าไปแล้วก็คือไม่อยู่ในกฎไม่อยู่ในระเบียบไม่อยู่ในวินยัยถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ไม่อยู่ในวินยัยถ้าว่าเป็นข้าวัดญาติโยมก็ใครก็ไม่อยู่ในกฎหมายไม่อยู่ตามก ฎ, กฎกติกาที่ได้วางกันเอาไว้จะประเทศชาติบ้านเมืองไหนก็ตามถ้าไม่มีกฎไม่มีระเบียบไม่มีวินยัย แล้วการอยู่ด้วยกันมันก็นเหมือนสัตว์ป่าเออหลีงข้างบางชนีทั้งหลายหมูป่าตัวไหนมีอํานาจกว่าตัวไหนมีเขี้ยวยาวกว่ากําลังแข็งแรงกว่าชั้นเชิงเหนือกว่าตัวนั้นก็เป็นผู้ชนะเนี่ยแปลว่าลังแกตัวเล็กตัวน้อยตัวไหนได้ทั้งหมดพราะเหลุไเพราะว่า มันมีอานาจกำลังมันเหนือกว่านี่ถ้าเราเป็นมนุษย์ทีเนยเราเป็นมนุษย์อะไรที่จะปกครองพวกเราได้ก็ต้องอาศัยกฎกติกาลงมติกันต้องมีกฎหมายขึ้นมาพร้อมเปลี่ยงสมัครีกันออกกฎหมายฉบับนี้แต่ว่าคนใดก็ตามออกมาผิดกฎหมายเนี่ยพวกเราก็ต้องช่วยกันลงเออลงให้กฎหมายศักดิ์สิทธ จะต้องใส่โทษคนนั้นเข้าไปลุมกันจับเพราะงั้นลุมกันประนามลุมกันลงโทษอันนี้ก็คือกฎหมายที่คุ้มครองให้ชุมชนแต่โดยมากบางครั้งกฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกเหมือนกันบางทีกฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์หมูมากลากไปก็มีเพราะเหตุไร เพราะว่าผู้ถือกฎหมายไม่เข้มงวดกวดขันไม่ศักดิ์สิทธิ์ประเทศชาติไม่มีคือมีแปรลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าว่าประเชศชาติยังเคารพกฎกติกาแล ะ, ะกฎหมายอยู่อันไหนก็เป็นอันนั้นคือพยายามแต่ก็ไม่ใช่ใตึงเปียทีเดียวแต่ตามไม่จริงอันยืดหยุ่นมันก็มี เจตนาไหมไม่เจตนาเลยอันนี้ก็คือกฎหมายก็มีหลักพระธรรมวินัยขอมีมันกันนะถ้าไม่เจตนาหรือคนเป็นบ้าอย่างพระเป็นบ้านภิกษุทําความชั่วขณะที่ตัวเองเป็นบ้าจะจะเป็นฆ่าคนก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามในปาลชิกสีโทษประหารแต่ขณะนั้นเป็นบ้าเป็นบ้าจริงนะเป็นบ้าไม่ใช่เป็นบ้าหลอกเป็นบ้าจริงๆก็หายเป็นบ้าแล้วก็ สงก่อนสวดประกาศว่าขณะองค์นี้ทำเนี่ยเป็นบ้ า, อาของสงทั้งหลายอย่าได้โจดอาบัตในขณะที่เธอขาดสติเธอเป็นบ้าจากนั้นก็มีคือสวดประกาศให้สงรับทราบไม่ให้ใครโจดในขณะที่เธอทําในขณะเป็นบ้านั้นอันนี้ก็คือเจตนาถ้าหาว่าคนเราเจตนาหลงปลีกรู้แก่ใจแต่ว่า เพียงแต่หลบเกลีกท่านเองอันนั้นแปลว่าผิดเจตนาตรงๆเลยอันนี้พระวินัยก็เช่นเดียวกันพระวินัยของพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันถ้าว่ามีเจตนาแล้วท่านไม่ไม่อนุญาตไม่ยกเว้นคือเจตนาเป็นหลักในหลักของพุทธศาสนาแต่ไม่เจตนาก็มีจไม่เจตนาเป็นอาบัติก็มีเพราะความสะเพาความมักง่าย ความเสอเพลและความไม่ใส่ใจอันนี้ก็เป็นอาบัิอย่างพิษุภิสุ ก, กืนกลืนกินอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปต้องปาจิตติแต่เราไม่ได้กลืนอาหารแต่ว่าแก้วน้ำของเรานั่นะมันเปื้อนด้วยอาหารแต่เราขี้เกียจล้างขี้เกียจทำความสะอาดแต่มันมมันเป็นอาหารติดอยู่ อย่างนมเนี่ยมันติดอยู่ในก้นแก้วแล้วติดอยู่ในข้างอยู่ข้างในของของแก้วน้วําเราก็เทน้ำเข้าไปก็ดื่มดื่มเข้าไปเลยเพอมันมีมัน ม, ม, นมีมันมีอาหารอยู่ในนั้นอยู่อันนี้ก็ปรับอวบัติปลายจิตตีเหมือนกันแต่ไม่มีเจตนานะว่าจะกินอาหารแต่ว่ตัวเองสะเพามักง่ายไม่ได้ใส่ใจไม่รู้ว่าตัวเองนันคือใคร แต่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระนะก่อนที่จะฉันอะไรเนี่ยต้องดูซะก่อนให้เรียบร้อยมันสะอาดไหมมันเป็นมลทินไหมมันมีอะไรไหมติดอยู่ในแก้วเนี่ยเราต้องทำความสะอาดซะก่อนเราจึงดืม่มอันนี้คือพระพระสงฆ์แต่หากว่าตัวเองทำอย่างนั้นมันทำเรื่องขาดสติทำเรื่องความไม่ไมรอบคอบ ไม่ไม่มีเจตนาก็จริงไม่เจไม่มีเจตนาที่จะฉันอาหารแต่ว่าขาดความรอบครอบก็เป็นอาบัติได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในหลักพระวินัยจุดนี้ถ้าทุกคนด้วยกฎหมายบ้านเมืองเหมือนกันต้องเออข้าไม่เจตนาแต่ก็ทำละเลอะเทอะไปคือไม่ได้ตั้งใจกระตั้งมุต้องตามไม่จริงการอยู่ด้วยกันเราจะเวียงค้อนไปที่ไหนเราก็ต้องรู้ใช่ไหม เราเวียงค้อนไปเนี่ยถ้าไปถูกหัวขนเข้าน่ะก็เป็นยังไงเอต้องมองดูให้ดีซะ ก, ก่อนไม่ใช่ว่าจะเ ป, ปรจะปาเวียงไปเรื่อยผมไม่เจตนานะแต่ค้อนนั้นไปถูกหัวเขาเข้านจะเป็นไงเขาเจ็บไหมเขาก็ต้องเจ็บเพราะเหตุอะไรเพราะว่าตัวเองไปเหวียงค้อนเข้าไปเอแต่ทำไมถึงทำํทำทําไมจึงตุกเวียงจึงเวี่ยงค้อนไปถึงจะรู้ว่าใครไม่มีใครก็ตามเแต่ต้องรูซะ ก, ก่อนว่า ตรงที่เวียงไปนั้นมันมีอะไรไม่ใค่คิดจะเวียงก็เวียงไปเรื่อยเจตนาไม่เจตนามันถูกหัวคนเข้ามันเจ็บไหมถึงตายก็มีถ้าถูกเป็นขวานเป็นปืนผาหน้าไม้อันนี้ก็คือในหลักพวิเัยของพระสงฆ์ทัเอียงใช่อิงกันกับกฎหมายแล้วก็มันคล้ายๆอิงไปทั่วการนั่นคือสรุปแล้วก็คือ มนุษยชาติเกิดมาที่อยู่ด้วยกันต้องมีกฎต้องมีระเบียบต้องมีกฎเกณฑ์มีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีการที่จะพูดกล่าวให้แก่ใครก็ตามก็ต้องคิดอีกเหมือนกันกายวาจาใจสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินแต่สินนี่ละสัมรวมกายกับวาจานะทำเลยแล้คือสําสรวมใจ สัมรวมกายว่าจะให้เรียบร้อยชื่อว่าศินแต่ถ้าว่าใจของเราเนี่ยคิดอยู่ในใจอโมโหโกธาคิดอย า, ากจะฆ่าคนนั่นคนนี้ยอยู่ในใจแนะแต่ยังไม่พูดออกมายังไม่ผิดนะถ้ายังไม่ทําออกมาไปยังไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดพระวินยัยแต่ว่าผิดธรรมผิดธรรมใค้เข้า โลภอยากจะได้ของเขาพยาบาทปองไร้เขาเห็นผิดจากทํานองคองทมเรียกว่ามโนกรรมการทากรรมทางด้านจิตใจเป็นการทํากรรมทําความชั่วทางใจแต่ถ้าพอปล่อยออกมาทางกายไปขโมยทรัพย์ไปป้นเขาไปคดไปโกงเขาไปฆ่าเขา อ, อย่างเนี้ยไป ล, ลาบลาลวงสามีภรรยาลูกหลานเขาไปดื่มสุรา จนขาดสติยังไมอันนี้แปลว่าการกระทำทางกายทางวาจาก็พูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อพูดตอแหลพูดโกโหกต้มตุนหลอกลวงอันนี้แปลว่าวาจาคือําพูดศีลสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลแต่ธรรมน็คือสํารวมใจ แต่ถ้ า, าว่าผิดวินยัยไหมผิดกฎหมายมั้ยยังไม่ผิดในขณะที่คิดนะคิดอยากจะฆ่าคนอื่นทั้งวันทั้งคืนก็คิดไปเถอะยังไม่ผิดวินยัยยังไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าปล่อยออกมาทางกายและทางวาจาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหล ะ, mm. ะในหลักพระวินัยของพระเจ้านโทษประหารของพระเนี่ยในขนาดพูดก็ยังเป็นปาราชิกขาดจากพิกเป็นพิษสูุก็มีนะบางสิกขาบท ภิกษุอวดอุตริมนุษธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องปลาราชิกเนี่ยอันนี้ก็คือพูดเฉยๆกันยังขาดจากการเป็นพระได้เพราะเหตุ อ, อะไรเพราะว่าวาจาเนี่ย่ศีลรักษารักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลส่วนธรรมนะคือรักษาใจแต่ตามไม่จริงต้นตอจริงๆ ก, ก็คือใจนั่นแหละ ถ้าใจไม่คิดสัยอย่างถ้าใจเป็นธรรมสัยอย่างการแสดงออกมาทางกายก็เป็นธรรมการจะพูดออกมาทางวาจาก็เป็นธรรมเพราะใจเป็นธรรมใจได้ได้รับการอบรมดีแล้วเพรคะนั้นหลักของพุทธศาสนาทน่านจึงให้ความสําคัญเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจมโนปูพังค ม, มาธรรมามโนเสถามโนมายาเรื่องตั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้า สำเร็จแล้วรวยใจวันนั้นใจต้องได้รับการอบรมที่ดีเอาศีลธรรมเข้าไปเอาเหตุผลเอาหลักเหตุผลเข้าไปอบรมใจเอาศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเอาไปเข้าไปอบรมใจเอาสมาธเข้าอบรมใจเอาปัญญากานกรองไตรตรองเหตุและผล่อบรมใจเมื่อใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสและทัณณ์นั่นแหะใจเป็นพระอรหันต์และทัณณ์ กายวายจากลุกน้องกอเดินตามหลังใจอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเป็นธรรมทั้งหมดไปเกิดไปอยู่นกลุม่มชุมชนใดร่มเย็นเป็นสุขไปหมดพระอรหันต์อยู่ณสถานที่ใดที่นั่นแลเป็นที่รุ่นรมอะไรคือพระอรหันต์ไม่ใช่กายเป็นพระอรหันต์ะไม่ใช่วายจา่าเป็นพระอรหันต์ใจเป็นพระอรหันต์ใจเป็นพระอรหันต์แล้วกายว า, จ า, ายาวาจาก็ตามไปพระอรหันต์อยู่ณสถานที่ใด ที่นั่นแลเป็นที่ร่นรมไปพระหารไม่เคยจะเบียดเบียนใครไม่เคยจะเอารัดเอาเปรียบใครมิแต่สงเคราะห์อนุเคราะห์โลกทั้งโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขอืมวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายวันพุ่งนี้เป็นวันเลือกผู้แทนรัชฎรประเทศไทยปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่วันพุ่งนี้เป็นวันที่สามนะ เป็นวันที่สตรงกับวันอาทิตย์วันที่สกรกฎาคมพุทธศักราช2554เป็นวันเลือกผู้แทนประเทศไทยของเราขอให้เลือกคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีฮิลิโอตปะเป็นสัมมาทิฏฐิให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ะให้รู้จักชาติคืออะไรอย่าทำลายชาติ อย่าทำลายพระพุทธศาสนาโบราณก็ถือมานมนานแล้วอย่าทำลายพระมาหากษัตริย์พระมาหากษัตริย์ปกครองประเทศชาติมาตั้งแต่กรุงศรีอินทรราชตั้งแต่กรุงสุขโขทยัยกรุงอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์สืบทอดกันมาเพราะนั้นพวกเราให้ยึดสถาบันหลักของประเทศชาติบ้านเมืองของเราเราเห็นไหมยุคไหนสมัยไหน พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเดือดร้อนจังมีพ่อมีแม่ออกมาปรามอย่าทํำน่าลูกลหลานน่ายดุดยังมีพ่อมีแม่ปรามทําพวกเราไม่มีพ่อมีแม่ลองคิดดูนะบางทีแบบพี่น้องตีหัวกันแตกหัวล่างข้างแตกไปคนหนึ่ตายไปคนนึ่ไม่มีพ่อแม่ห้ามปรามถ้ามีพ่อแม่ห้ามปรามพ่อแม่เป็นศีลเป็นธรรมเลยหลวงพ่อโอ้เลิศประเสริฐที่ไหนอย่ากลงตามหาบัวเนี่ย ที่หลวงพ่อรักเคารพนับถืออย่างยิ่งในเมื่อท่านจากไปในในใจในใจลึกๆของหลวงพอ่อใหะคล้ายๆว่ามันหนาวเออมันเย็นไม่ใช่มันเย็นมันอบอุ่นนะมันเย็นเจอลอยเหมอยงงนันนะมันเป็นยังไงให้ว่าหมดที่พึ่งทางด้านจิตใจถ้าท่านยังอยู่ถึงยังไงยังไงทุกองค์เข้าไปเนี่ยยังเงียบสงบอยู่ในท่าทางในความสงบ อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบทุกองอันนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราคนลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราให้รักเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รับพ่อนอนุโมทนาให้พ้น